ผลมาหลบหลางหันได้แไปมึดช่วงระยะนี้เล็กกายลักษณะเป็นคนแข็งแข็งกระด้างแต่ไม่นั่นให้กันพอเข้าใจจุด น, นี้รู้สึกว่าโอ้ยคิดหอดพุทธโอ้ยกขมันสมเด็จสมเด็จขอไพ่อีน็ขมันสมเด็จสังพระสังกัลพเพล่นเลยมาปริบัติบตั้มผูนําเฮานี่โอ้ยพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่ที่จะเรื่นุงเรื่องไปไกลนี่ไปไกลแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่กันกันเพิ่นเข้าใจน้ำห้าแบบเขานี่โอ้ยพุทธมันคิดได้พุทธ แล้วว่ามันคิดออกตนออกตัวนอกออกนอกตนนอ ก, ต, นอก ต, ตัวออกไปเนี่ยไปลืมหลับลืมความรู้สึกแลมันหูเข้าไปในอารมณ์หูเข้าไปในความขึ้นมันก็พยานที่เราถามว่าเมาื่อคืนมันหูหูอยู่แต่หูเข้าไปในความคิดนว่าม่นหูออกจากอารมณ์ว่มันหูออกจากความขึ้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลนาานักษณะเขาต้องกลับย้อนกลับข้อความาเห้เพระไปสนใจกับความรู้สึกความรู้ว่านั้นเพราะเมื่อรู้วัานั่นไปรู้รู้ไปรู้มากเห็นมันก็รู้มากมันก็โมฆาลงที่พิาวาน่ะ ลู่ไปจะไปที่ไปที่จนโอ้ยบางเที่รูู่่คักคั ก, กที่จนปวดหัวปวดหัวกับข้อมูอตัวนั้นมันหลายปวดพุดพ่งมันแตกนี่เม่ชีคนหนึ่งเนาะสมัยนั้นก็วัดโมกนี่เมชีละนี่เราเห็นข้อมือแล้วก็เรือ่องอารมณ์มีปัสนุเนเลยแล้วหูจักก็เข้าใจไม่นั่งก็หูจักไปมัดที่มัดแล้วว่าข้อมูอของเราหลายมากไม่เลยเกินเลยเกินเลยใช้ผ่าหัดเอิบหัดเอิบ ห, หัดพุด่งเอาไว้ยันข้อมยัน ปัญญามันแตกเอาพลนว่าปัญญามันแตกออกจากพุ่งพลันว่าฮัตเอิกไว้พลันว่าเราก็มีความสําคัญว่าคันผู้ใดผ่าฮัตเอิกนั่นเป็นพระละหันพลันว่าเบื้งทั้งหลังนี้มแต่ผ่าฮัตเอิ๊ครั้งเมื่อสงสัยเปิดละหันเมื่อต่ออยั้ท้องกลางอัตมาเนาะเพาะเป็นแต่อละมาผู้เดียวว่ะเพเป็นฟร้งหัวมาแล้วเนาะว่าแต่ว่ามิถุกกัแล้วกันนั่นบะเออเป็นว่เป็นกันละแต่อันนั้นอันนั้นคือความเผยแก่ของคนเพราชุดนั้นแหะเพราะฉะนั้นว่าเมื่อเข้ากลับมาอยู่ในตัวนี้ ปุ๊บเห็นปับบ่ได้ไปเจียวของกับส่วนนั้นเลยวันเรียงทีสางนั่งใหม่นี่ผู้ใดเคยย่านย้ายหัวเคยย่านผีย่านสางย่านอย่างต่างต่างอย่างตงหายหมดเพรามีย่านพอาอย่างที่เขาไปย่านผิดพราจิตเขาไปคิดสางความชิดสางจินตนาการขึ้นมาเหมือนกับยุคปัจจุบันอย่ืนกัน่ะในขณะนี้เขาไปย่านแต่ขันย่างกูไปพูดเดียวเรียนย่างไปในย่านนี้ย่านอย่างย่านเขาเมิดย่านเขาคืดเอ๊ะเฮาไปนพูดเดียว ลุมฟังศพผีตายโหงก็โยวังหันเอไปหันก็รู้สึกว่าขอโทษนะพวกใค่เห่าซ่อนเท่าไรบางเทียปวดท้องยำําขึ้นเดือดเดือดเดือดเดือหามูกําลังนอนดับมีปวดท้องเกินมาแล้วล้ามหลุดกันไปผ้ากันไปขี่ขีแค่ผู้เดียวนั่นแหะแต่ย็นเฝ้าอยู่ห้องน้านี่ไม่ออกคนหนึ่งแล้วย่านขี้อหอยู่ท่าคอนเจนแต่งงานแล้วปวดท้องมาเดึกดเดือดเดือเดือดุกผัวเท่าเท อขอเขาห้องนเาน้ำมาที่ให้ผัวยืนโยนเน็คไอ้อ น, นอกห้องน้ําก็ให้ยืนเน็ให้เขาไปยืนในห้อง น, น, น้ำบุญน้ํากันบนุญน่ะผัวว่าขี่ก็ไปยืนเฝอยู่ในห้องน้าบุญเอาย่านย่านเน็คไม่ย่านอุบาทอุบายโอ้ยบัดนั้นเนอะผัวใจดีใจดีกันยืนดมฉี่เนี้ยยันแล้วมึงเหล้วก็ใจมันเจ้าฮักกันฮักพร้อมกันดีเนาะเนาะบัดนั้นะฟังแล้วกับบ้าอันนี้ไม่เรื่องจริงกันเนี่ย เพราะฉะนั้นว่าเมื่อเขาปฏิบัติจุดนี้แล้วเขาใจส่วนนี้แล้วจิ่งแล้วนั้นรู้สึกมันเป็นสิ่งสมบูรณ์ที่เขาเกิดขึ้นมาในเห็นมาว่ากันขึ้นมาพอแม่ปู่ญาติญายบอกหลอนบอกก็เห็นเจ้าเตือ่ตัวผีก็ได้อัตมาเกิดบอกก็เห็นอบอกก็เห็นว่าผีเป็นยังลักษณะใจเห็นว่าผีว่าใจให้เป็นผีใจดีเป็นพระวันว่านย้มผู้ได้ใจให้แค่ใจให้ทุกคนกับซองซองกัยกลองเบิ้งหยิล่องเบิ้ง นาเพื่อนนี่ขิวอยู่ตากินมากเนี่ยขมวดทางขิวเพื่อเบื่อคืนนี้ทั้งทึ่งเห็นนะโว้ยนั่นอะลยเคยไว้ชีนัดเอพีกระซือเพราะฉะนั้นว่าการกระทําจุดนี้แหละพ่อใหญ่ในใหญ่พ่อพ่อพ่อแม่พ่อเยบวัดซนพ่อเขาในขณะพวกเขายังมีอยู่ขึ้นมีสติสมัชัญญาอยู่นี่ไว้พวกเขายังมีไว้อยู่ขณะนี้พอไว้ขั้นานั้นรู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคมากกว่าที่พวกเขายังผ่านมาเหมือนกับพ่อกับแม่พวกเข้าขึ้นกัน ผู้เฒ่าผู้โทผู้เฒ่าผู้แจอ่าเนอาจารย์วโรเทีเพา่ารย์ก็บอกว่าให้ไปเฝ้าให้ไปช่วยหลวงพ่อจันทรอ่าคุ้มพ่อออกสักผู้ใดคุ้มผู้ใดก็ป่ะจักษ์เนาะพ่อออกก็เราก็เห็นนางเดินดีดีเบื้งแต่ละผู่แต่ละคนรวมอายุกันแล้วก็ที่บอกมันแฝดเกือบสองพันปีผู้เร่ร่อนผู้นั่งนโมนี้ก็ได้คือสามพันปีพุณโบยี่สิบแปดสิบปีหกสิบยี่สิบปีหัก เพื่อนเก่าดีได้พอหงหนึ่งเราปวดขาลังบดีสไสไม่กันเท่าสักจึ๊กจึ๊จึงจึกจึงจึกจึงจึจึ จ, จ, จ, จโอ้ยมักขนาดอยากให้อาจารย์ว่าเราลูกอาจารย์ว่เทพบรรทยทำวิดีโอไว้ยอยู่ผู้เฒ่าขายันเอาไปนั่นเจงเี้ยย้วว่าชดนะเฮ้กันขาดีๆตาดีๆเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทามลูกหลานปฏิถเ่ามาแล้วโอ้ยผู้ข่าเท่าแล้วมีผู้หนึ่งนี่ม่ออกหนึ่งแล้วพอ ไปคุยให้เราฟังฟังเราเก็โอ้ยเราบอกแล้วแล้วเราบอกขึ้นมาพบอพบไม้งาไม้งามเมื่อขวัญบินมาขึ่นมาพบไม้งามเมื่อขวันบินมาขึ้น่าเพราะฉะนั้นเมื่อขวัญบินแล้วก็แบกขวัญกรบบานซามาขึ้นเพราะอย่างเพเหตุบ่ได้แล้วทําบ่ได้แล้วพวกเข้าคือกันน่ะยังมีไว้ยังมีกําลังบังซ่าสติปัญญาคูบาอาจารย์ของพวกเขาก็เปิดโอกาสให้เข้าได้มาศึกษา พระพ่เลี่ยงของพวกเขาก็ย่าจะไปคุยคักหลายหาลังเทอกับพระพี่เลี่ยงกติดอารมณ์นักปฏิบัตินักปฏิบัติกติดอารมณ์พระอาจารย์คือกันคุยกันใจนจำนวนเวลาปฏิบัติกรบบดีเปิโดโอกาสขมีปัญหาอ ย, ยังคุยถามสอบถามแก้ไขโบแมนคุยเรื่องไรจ้าละเรื่องนี้หกนี้พงนี้ท่านนี้ยังไปเมื่อตอนนั้นไปว่าวิสาเสกอะไรดอกนี้ท่านเรื่องนั้นแต่ช่วงระยะนี้ให้ร้องปฏิบัติแล้วเบง แนะน้ำเรี่ยงหนึ่งแนวในอารมณ์อารมณ์มปฏิบัติรองเบิ่งนี่รองเบงิ่งไงมันเข้าใจลองเบิ่งอเจความสนุกสนานไปนี่แม่าพระพิสูเน์เฮาคือกันพระพิสูจสมานเน้นเเฮาคือกันคันยุเ่เลอๆล่าเล่างปูร่องตาก็ก็ไปอยากว่าพ น, นึกเนาะเพิ่งกระเถาแล้วเพรัะว่าโดดเพิ่นกรตายหิจาดผู้เถาคือกันเพราะฉะนั้นว่าก็ค่อยเฮ็ดคอยทําไปตั้งสติความาวรู้สึกกุมเบของเฮาเพราะว่าเฮามีเป้าหมายบวชข้าพเเพยยัง อยู่เขามาปฏิบัติเพื่ออยี่ยปฏิบัติเท็จยังไดท่านยังไดเป็นยังสิเขาใจได้นี่ได้สถานที่ของหลวงพ่อนาล่งนีน่คือว่าก็มักมากตั้งแต่ปีสองพันหาร้อยสามสิบห้าหรือสามสิบสี่กับไปจากจำบ่อใดอาซีาปีมาแล้วไปนอนอยู่พ้นมาย้ำหนาวมาย้ำนีนะ่แหละนอนอยู่พ่นกอดขามปูนลมพัดดาลวิวิญหนาวตอนนั้นสม่ยนะั้นไปหาปรเห็นหาพ้นตจนปรเห็นว่าที่ไป น, นอนสับหมกเกา ก็เลยเพื่อมันหมั่นนะมึเบี่งบั่งเฮ็ดกุฏิกับพระจกักให้จักหาบาพอ่อสั ป, ปะยะในสถานที่นั่นดีหลีกเล่นได้ดีคนหลายๆบรรจูได้หลายนี่เดี๋หลายหลีกเล่นเราดีร้องร้องเบิ่งสถานที่คูบาอาจารย์พ่อมเสร็จซับเรียบรลอยนี่เรียบรลอยเขาร้องพิสูจน์คําสอนของปุถิเจ้ารองเบิง่งว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วใช้โลกนี้สิบว่างจากพระอรหันต์ ชีพว่างจากพระอรหันต์ลงพสูตร์คาสอนของพระพุทธเจ้าลองเบิง้งเป็นยังนีพูดว่าโอ้ยยังไปยังมาบ่โอ้ ย, ององอยสงปากเชื่ยวมาจะข้ากันยะคู่หัวเบิง้งยัง น, นึงก็ไปกหัวเลยเนาะหาแต่แน่พาพระอ่างปวดแผงปวดขายังเชี่ยวหมานั่งดนไลก็ปวดขานั่งเชี่ยวหมาจักหน่อยแต่ยะคู่เจ็ดมือเจ็ดเนเยคือ็ดมือเจด็จ ด, จดขึ้นวะนี่มัในใกล้สึหเม็ดเลยยังห ม, มาก็ได ผู้ใดที่ถวายตาหมากอาตมาเนี่ยขอแพ่เนเว้ยเพราะว่าอาตมามีความมีความคิดยุเดนี้ว่าต้องการรักษาอนุรักษ์ของเก่าเอของเก่าไหวบวกหมากบวกเังบวกผู้กับเองแต่ว่าแม่ออกเก่าเก่านี่เปล่าเด้ทุมเถาเถาเก่าเก่านี่เปล่าเออเพราะฉะนั้นว่าอยากเห็นอยากให้หูอยากให้เห็นขันเทารดเท่าละไปใดมีประไดีกระดี พอเป็นพนละพอเป็นวัตถุวิตุกังวลพอไปปริพลดังว้นกับเท้านี่กับเท้าพ่ อ, อ, อขึ้นกันแต่พ่อพอใครพอ เ, เห็นเหรอพเห็นสูบบสุดยาหรืออาสูบก็บกออจจะเพั๊เพื่อนอาเซียวควรกินอื่นควรลงไปนะแต่ว่าตดออกมากรเหม็นยได้ควนก็ได้นั่นเองอแต่ว่าไม่ออกเชื่อหมาปากแดงใจวายใจพอจินเขาแล้วควระกนนุนั่นนั่นน่นนทนั่นน่นนน อ, อ้ขักเอาว่าแ่ยังยังยังเจียวบ่ได้ยับบ่ได้ก มาตำเบาลงไปอมลงไปโอ้ยหยัมได้บ่อยายบ่ได้กับอมมันละ่ะเหมือนปวดแฉวปวดแฉลปวดแฉลเอาก็เพี้ยงเขถอนถิมซะละ่ะอไปถอนลายเหรียอยู่พูดว่าอันนี้ละ่ะเพราะฉะนั้นว่าความเป็นจริงของเขาขันเ now ขันเ n า w เหตุเบิ้ลคักๆตัวนี้รู้สึกว่ามันสิบอะไรไปห่วงเนีสมัยเจ้ก้อนอาตมาก็สูบพื้อกันยายาสูบ่อาตมาก็สูบพื้อกัน แต่พอเพื่นบอกว่าบให้วัดนั่นเพื่อนบวซูบยาถิมหลังแต่มือออกจากวัดบานจะคลองเนื้ขาดไปนั่นอ่ะอ๋อมันว่ตายตัวสูบยาซื้อไหถทิมแล้วไปพราะสูบเพื่อนถามว่ามิหยาสูบบวบบัครับบวได้สูบเคยสูบบวสูบครับเปลี่ยนบวสูบหู้อยากว่าวัดนี่บวสูบยาผมก็ถิมซื้อนี่ทิมบอกซื้อเนี่ยบวหิวที่หิวกะสร้างแลหิวก็บวเห็นว่ามันตายกินเขาได้ฉันเขาได้ยู่เนี่ยนิรี มือแรก ส, สองสามมือแรกเงี้ยโอ้ยทรมานอีดียมข้าเจ้าเดินผ่านไปชี้ผ่านขี่รถผ่านไปในไปเห็ุการเหตุงานสูบยาเนี่ยเดือดกินเนี่ยโอยปัสสาวะมันซาบซาดสามมือแกนั้นมิดกิรีทุมมือเนี่เห็นเพื่อใหสูบยาสูบยานั่งรถนั้งนั่งนั่งทั้งรถทั้งล่าเนี่เห็นดึงออกจากปาก ปีนึงไปไปนครสวรรค์ลงตาหนึ่งกระลังเรากระลังฉันเข่าในทั้งรถน่ะเรากดหวกขาดยกเอายาสูบมาสูบสูบไปสองปกขึ้นไปพอดีขึ้นไปพอดีกอนกั่งครุบเลยก็เศ้าเลยปากกับกดไม่หนังนะท่านม า, นาเอาตุ้มไม้เอาตุ้มไม้เอาตุ้มไม้เอาท่านแล้วเจอตุ้มไม้ไห้ว่านที่อยะอยากสูบยานึ่งโบเมอันมาท่านดอกเอาถิมแล้วกักยจะเข้าสูาสบกันป้ามันกระลังแสบแน่เอาท่านมาห่อย ยากับผมนี่ก็แค่ถีกันไปเลยลองเคาะองเธอไว้ว่าถนัดติดจ้างม้วนละยี่สิบบาทใบสูกบก็ถนัดแล้วก็เราก็ฟังดีดเนี่อบ๊อบสูบบ๊สูบเลิกกันนั้นก็เลิกไปเพราะฉะันว่าเหม็นเหม็นหลายไอ้สิ่งมัน่ะเมื่อเขาเลิกได้ละได้นั้นนึกซึ่งก็โอ้ยแกนประเสธบ๊อบห่วงบ๊อบหบอบห่วงบ๊อ บ, อบอใ่เห็นผู้ได้สูบนั้นเป็นทั้งทั้งสัมเบิ้งหลังก็แล้วโอ้ยเผาผ่านเรื่องหวานเรื่องยาสูบยาสุบยา เมื่อปีเมื่อปีนี้กลางปีต้นปีเมืองขอนแก่นฉลองสองรอยปีให้เมืองขอนแก่นมาถึงว่าบันี้เขาทําสถิติเขาทำสถิติวา่าเขาจัดเมืองขอนแก่นจัดเก็บผ้าสีแบบลุงท่องทินได้เกินทะลูเป้าเขาตั้งไว้แปดลอยล้านถูกไหมนั่นตอนนั้นเน๊ะแปดลอยล้า น, 800านแปดลอยแปดลอยกว่าล้านเก็บได้พันสี่ลอยกว่าล้านทะลูเป้าเกินเป้า แต่ว่าภาษีตัวที่ทำรายได้ที่สุดคือเหล้าวันนี้ว่วาเหล้ากับเบียร์มึงเป็นยังขันคนไทยกินเหล้ากินยาเป็นแค่กว่านั่นนี่ประนันแล้วเสียอยังเออเอาสมองใส่ไปไปไปไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมียงมีได้พู้ขี่เหล้ามิได้พูดขี่ยามิได้ผู้ขีม่มากไปก็จะไปถ้าไปสวรรค์บางทีไปไม่ได้ ไปขึ้นสวรรค์เท่าพ่อท่นไปสวรรค์เขว่าภูมิหมากนี่ใหญ่ได้ ย, ยัยเขาว่าเป็นเมืองสะอาดอ่านดีดมีแมวผู้หนึง่งพ่ อ, อ, อผู้หนึง่งเราทําวัดสวดมนต์เราก็ต้องการสวดมนต์แหละก็สาธูแม่เกิดสศาหนาผู้ขายนี่ได้เป็นสวรรค์ไปขึ้นสวรรค์นะแม่พ่อทันว่าลูกเคยกับ <c oughs> ลูกเคยก็เป็นอีเจเก๋าเนาะลูกเคยก็เป็นอีเจเก๋าจะไปแทบอแม่พ่อถอกกับแม่ย้ายนี่แม่ว่าทันว่า บังสวดมนต์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์กับอธิษฐานลูกเคยประแจงตนนี้เจ๋ไส้สุดสดาไส้สุดแหลมหัวแหลมแมไม่แ้งขื้นไปนั่งดังทั้ง่กุลแหละอ่าเลยทั้งทุานพ่าพ่อเชาเสร็จกับอธิษฐานน่ะสาธุแม่กันผู้ขาเนได้ได้ไปขึ้นสวรรค์สั้นซ่าสั้นไสั้นไรก็ว่ากันไปแล้วเนาะลูกเคยกันนั้นไปจริงๆหรือย้ายบุษันวะเดี๋ยวหลอกแหลกหลอกแหลก อ <bonito> ่าไปก็รีบไปวาตันว่าทั้งตาทั้งยายจะรีบไปก็รีบไปวาตันว่าโอ้ยเฮจังให้เธอเถอะาตันว่าคนที่มาเอาแท็กต์เขาวาตันว่าไปเฮจังไหนเขาสิตตกคงไปบ่ันวเอาไปจังใดเอ็นให้น้าสาทัวกับพระท่านในแบงไงลูกให้เต่าวานันว่าอันนั้นอันนี้ก็บพระท่านในซ้ำเสียลูกเต่าเอาข้าเขาไปไปแล้วเขาทีว่าจังไดนี่เลยพระท่านได้โอ้ยผู้ขาคือพรท่านพร้อมดอกขะน่อยวาตันว่นให้ออโอกาสหนาสะท้อเนาะวาตั่าเอไปจ่อยเพราะเช่นว่า ความเพียรของเขาตัวนี้ล่ะพยายามสร้างแล้วเบิ้งเด้นไม่ออกพก อ, อใหญ่ไม่ใหญ่พวกเขาตามสติตามกําลังของเขาอาตมามีความมั่นใจตั้งแต่พุ่นมาว่าวิธีการใดก็ตามขันออกจากตนออกจากตัวไปเห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธลูกมาแล้วกันนั้นโบแมนหนท่างจักหน่อยโบแมนหนุนท่านที่จะมาดับถูกเข้าสํา มักคำพูดหลวงพ่อเทียนคำหนึ่งบอกว่าแม้แต่ผู้พูดทีด่เจ้าย่างมื่อนี่มันโบแมนได้เท่อย่างสิ่งเดิผมก็โบเสือว่าเด็นหลวงพ่อเทียนว่ามักคำพูดคำนี้แมนอี๋ดีอตาตมาก็ยืนยันพราะยังทุกข์เป็นนัแจกของเขาเสกผู้ใดมารับรองเขาได้สุขเป็นนักแจกของเขาผู้ใดสี่รับรองเขาได้นี่ได้ย่องกันแล้วเห็นว่าย่องกินเขาย่องกินน้ําดำนี่ก็ย่องกิน น, น, นั่นนี้นี่ก็ย่องเอานี่เอาขึานานาน้นสวรรค์นี่ขึ้นไปลงไปนี่ลงไป เจ้าท <ologist. S 2> <valeur. S 1> ่านคิดท <emption> ่านหาพุนเองเล็กเล็ว่ากันไปนี่กันไปสารพัดมักย่องเอานากมะเอานาลกมะครูสวรรค์มะย่องมะล่อไปนี่ก็ไปเพราะฉะนั้นว่าตัวสวรรค์จริงๆคือตัวยังมีสร้างสวรรค์ขึ้นอยู่นี่ให้ชีวิตจิตใจของเขามีสติสัมปชัญญะมีความมูสึดมือเมย์ยืนนิ่นั่นแหละคือสวรรค์ขันมือใดคนโบมีสติสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะมือนั่นคือคนตกนาลกแม่นหลีอ่ะ ขันคนมขันคนมิความโกรธแสดงว่าคนขาดสติตกนรกแล้วเป็นบอกนรกว่าอยู่มืองอื่นมองไกลเห็นอยู่นี่เห็นอยู่ใก ล, กล้ๆแต่เย่เนี่ยทำยุ่เนี่ยเพราะฉะนั้นวาจากให้พอให้แม่เขามาเบิ่งลองเบิ่งพิสูจน์มันลองเบิ่งพิสูจน์คสอนหลวงู่ดิจ่าลองเบิ่งอัตมากระบอมันค้นเสือค้นง่ายทั้ใดนี่ท้ใดจังหลวงปู่หลวงพอ่อคาเสียนเพิ่นเกิดปฏิบัติมาสมัยรุนแรกๆนี่แหละเพิน่นเกยืนยันยืนยับมากนี่มากที่ตลอดนี่ตลอด แต่พอห้าวได้มาสัมผัสตัวนี้แล้วโอ้ยความสุขดีบ่มีผู้ใดอายยึดยึดกันซื้อกันกับบ่ใดพ่อแม่ที่เฮ็ดให้ลูกให้เต้าก็บบ่ใดลูกเต้าเฮ็ดให้พ่อแม่ก็นใดเพียงแต่บอกกันสื่อๆมันก็อาตโมาเิบอกให้ฟังยันจื่อได้กับเฮ็ดลองเบังจื่อบ่ใดกับเฮ็ดลองบังจื่อไดปฏิบัติตัวนี้ลองเบังไอ้วิธีการอื่นๆอันเอาไว้ก่อนก็ได้เก็บเศษผงไว้ก่อนกันได้เอาเศษกให้ถผงไว้ก่อนพุทโธสัมมา阿拉หังนั่นเอาไว้ก่อน พออย่างพอแต่วมค้จว่าการบริกรรมนั่นคือการปิดกั้นเอาค้ำบริกรรมมาปิดกั้นตัวสติของเขามันก็ลายม้วบัทะลุเหมือนกระห้องเขาอยู่ในห้องกระจกเงาห้องกระจกเมื่อเขายู่ในห้องกระจกเขาชิมมองเห็นอยู่ข้างนอกแต่พอเขาไม่ออกจากวิสามารถออกจากห้องกระจกนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดประตูเปิดกระจกออกไปมาอยู่ภายนอกเหมือนกรลงเทียนเพิดอุบมาเหมือนกระห้าอยู่ในถ้ำแต่พอเห็นพอเห็นถ้ำขณะเขาออกจากถ้ำเราเห็นหูถ้ำเห็นรูปร่างของถ้ำในของถ้ำกวงขวงกว่า หันไปยุ right, Tim, ่ในทำเหมือนตึตือมองไปเห็นอย่างเลยเหมือนกับเขาเข้าไปอยู่ในความคิดกันเข้าไปอยู่ในอารมณ์ือกันแม้แต่อารมณ์ปีติมันก็ทําให้เขาหลงไปได้ขึ้กันแต่ว่าการยังดีแต่ว่ากระบวนการของดีเท่าดีที่มันีเกินไปแต่ว่าต้องเขาก็ต้องมีความรู้สึกคุ้มเมือของเขาแม่นยังที่เกิดขึ้นกระตามนี่ก็ตามเขาจะลืมความรู้สึกของเขาตัวนี้ขณะลืมความรู้สึกของเขาตัวนี้ไปแล้วยาก บางคนเป็นบ้าเป็นบอบางคนหลงหลงลมบางเดียวปีหนึ่งอยู่วัดหมกแล้วยืสนามในมีผ้าอัหนึ่งแลปฏิบัติแข่งีเดียวแงมือนนี่บนนอนเดินยกมัดมือยังขึ้นเดินเดินไปเดินมาบนี้ว่าผัดว่าเทพวดามาฟังเทศนั่งเท็อยังมดมือยังขึ้นแบนอยู่วมวมวมวมวมวมวมวมครับยังเป็นนอน ออมันเกิดจังได้ปะ่ะท่นผิดปกติแล้วเพราะฉันว่ายามเมื่อคืนนี่หอยแหวนอนอย่างเต็มทีทุ่มสองทุ่มพอนอนเลยพักผ่อนยางเต็มทีเห้นมันพักผ่อนยามเมื่อคืนพอเวียงพอเวลานั่งกลางคืนนันเป็นเวลาพักผ่อนของคนเวลานอนม่เวลาพักผ่อนนอนให้ลับวนไปนอนเสียงคุยกันจกแจก๊จกแจก๊กแจ๊กแจ๊กไปนอนอาตจามาไปนอนทั้งนี้ทั้งนอ่นกกระยั้งข่าวอยู่ทั้งทุ่นยามเมื่อคืนมัน ขันมันค้นย่างพีหลอกในันมันมันเปิดที่มไกแล้วมันเราไปไม่ออกจักทิเป็นังไงนอนเท่ากันนกไก่ย่างไก่ยงกลุ่มนีจะเป็นยังไงกบวจัก้นี่ะฮะนั่นแล้วนกก่ย่างบอนกกย่งกลุ่มแถวแถวมือนี่แถวสานี่นะจเป็นยังไดวัวตื้นขึ้นมาก็ออกงงักกับวัวจักอ่างเชียกัตมากกับางปึ้งึ้งึ้้ต้งที่จริงแล้วความเพียรของเขาขัมีขนหูจักดีนะ นอนอยู่เป็นหลายกลุ่มหลายนี่คกกระตามนี่กะตามยกับหลวงพอเทียนนันรู้สึกว่าลุกขึ้นมานอนน้ากันตื่นขึ้นมานี่เงียบปิดม่มีเสียงเปิดประตูออกม่มีเสียงย่างออกไปเดินจงกรมม่มีเสียงนี่ไม่มีเสียงให้ผู้ใดพ่ออย่างพอบางคนเขากาลังบางที่เขากาลังทาสมาธิอยู่เห็ุความเพียอยู่กาลังกาหนดของแจกของอยู่ว่ต้องไปรบกวนคนอื่นอันนี้เขาอย่างตื่นหรอม่อยันคนอื่นเขาบงการว่าตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตืตตต่ บางเทียบมนตื่นกอนแล้วเพราะตื่นก้อนแล้วนี่ก้อนแล้วมันเป๊๊เป๊กๆหล่นี่ยขวาตามหมากขึ้นมาอย่งงางจะาปะธานหลักร่างหนาวไสปึ ป, ปึ๊งปึ๊งแล้วเอาแตนกุ๊กกุ๊กปกปักปกปก <S <S โอ้โฮเฮ้ยค่อยๆก็ได้อเตรียมไปอย่ง ม, มาเลี้งนี่ก็ได้ข้ามหมากขึน้นันเบือนซาวาิเคียวเงี้ยไบแต่เตรียมไปในเคียวหมากคันเอิ น, นคันนี้กินผู้เดียวขันว่า่แสบดีละเอิมูขึ้นไม่กินเจาไม่มแตนายเนาะ เบื้การนึ่งก็ได้ผู้เถ่าเอ้ากระเฮ็ดไปตามผู้เถ่าแล้วเนาะพ่อเถ่าแล้วเฮ็ดยังได้แล้วภัยพัดเถ่าจักปุดะพาดเถ่าเกิดมาแล้วพักันเถ่าอัตมาว่าสิว่าเถ่านี่มันน้ำมันสิเป็นไปได้บ่วันนี้พีได้นพู้ได้ก็บ่าให้กันว่าไม่ออกที่วัดเฮ็ดกันเนาะอันผู้ได้ถ้าพวกเจ้าเถ่านี่ยว่าท่นดอกอันบอกคะนหน้าว่าท่านเราเถ่ามาหล่อยเจ็บแข้งเจ็บขาโอ้ยเจ็บแอวว่าท่นว่าปวดแขงปวดขา ย่งบาไหวเดินเบาไหวนี้บาไหวที่จริงแล้วเจ็บแขงเจ็บ ข, บขานีา่มันดีอยู่เด้พออย่างพ อ, อมีขาเจ็บขันโบมีขาปัดโบได้จมเห็นบะเอ้าแม้นี่ดีเด้มีขาอยังได้เจ็บขามีตาเก่งได้เจ็บตามีแข่าอย่างได้เจ็บแข่าขันโบมีอย่า ง, งเฉลยอย่า ง, งได้เจ็บเพราะฉะนั้นว่าจะไปทุกข์กับมันโอ้ดีแล้วที่มันเกลือนเนี่ย เตือนว่าโอ้มันต้องเปลี่ยนแปลงให้มันมันเจ็บแขงเจ็บขานั่งอยูดด่เดินๆเปลี่ยนแปลงนั้นพลิกหนาพลิกซ้ายพลิกขวาก่อนจะพลิกก็กต้องมีสติสัมปชัญญะเอาความมุสุขของเขามาใส่ลองเบงในช่วงระยะหกเ็ดมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นนี่พยามเอาความูุสึกของเขาเป็นตัวนารองเบงแกมคําลงพอขําเสียนเป็นบอกว่าเ็ดมื่นเจ็ดวันนี่เหรเป็นเป็นวันแห่งสติสัมปชัญญะลองเบงเริ่มตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปก็ดี ในขนานีก็ดีเป็นวันแห่งสติสัมปชัญญะพ่อแม่นี่ยอยู่บ้านอยู่ซองหนึบปากคุยกันมาทั้งนานตั้งโดนนี่ทั้งโดนไปอยู่ซสอาตมากระบะยี่กันรุ่มใดปฏิบัติธรรมอยู่สนี่ไปหอดย่ำใดกันคุยกันว่าสันองเมงบ้องเมงบม้งองเมงอยู่ตลอดปันใดสิเศ้าคุยเยี่ทีอปันใดสิพอเศร้าโศกันเที่ยทีอานบัดตายคนเดีย เพราะฉะนั้นว่าเมื่อเขาเปลี่ยนอยู่ลักษณะนี้กาอยากให้รีเลี่หมงด้วยมันห่างๆสตร์พูละพื้นพูละพื้นหรือพื้นหนึ่งกันนางคนละหันหลังใส่กันก็ได้แต่ว่าหันหลังใส่กันปากกันไว้เนี่ยไอ้เบี้ยวไปจะสรางหลังอยู่ด้คุยกันโอ้ยเบิ้งกันนึงกัโอ้ยตาลิศตัวน้อน้อวาดันหนานตาใส่กันนางเทียบผู้นึงอยู่ฝากคุณ เป็นยังไงชาเงี้นี่เพื่อนมาถามมาจังไบยกใหมยกเมื่ออีความสึกคือเมื่อเพื่นถามเจ้าว่าังไบเพ่นสอบมา้มเพ่นว่ายังไบเจ้าตอบเพื่อนว่ายังไดเหอเพ่นมาตอบใค่ตอบเพ่นจำคือเจ้าน <c oughs> ีคือนยเพิ่งจังน right ึงคือพระกเห่นทียน้อยน้อยพระคือกันย่มกันคิดพื่อหรอโอ้มา เป็นจังสี่ตัวค้นเอานีก็ได้เนาะเอาโต๊เพิ่นบอกกัเลนหลวงพ่อนาลงบอกันเลนนี้น้อยกันเลนนี้น้อยซะเนาะยกไม่ยกเมื่อยกขึ้นไปแล้วขึ้นมาเป็นกันทํางาไปถามเป็นในยมีข้มูลึกเมือบอก็บอกว่าหัวูวกเขาหัวยุขน่อย่างสังเกหลพ่อได้กินเขาหอดเจ็ดหมื่อเจ็ดพันเนาะเจ็ดหมื่อเจ็ดันเจ็ดหมื่อครบเจ็ดมื่แล้วเพิ่นกับเ้าเลี่ยงดอกเลือดพุ่นยูต่อกับยูไปเพิ่นกับบ่าวาดอกตีเนาะ เพราะฉะนั้น ก, ใกใะให้ฝากให้พ่อยเม่เาตั้งใจเมืองเด้พิสูจน์เมืองเดยจะให้เขาเจ้าตั้งชาติเข้าเจ้าว่าให้ข้าวใดเด้แต่ว่าใกล่เกลือใก่เกลือกินด่างกันน่ะมีของดีอยู่แล้วอยู่ในเมืองไทยเขาแต่ว่าเขาเพอใส่ใจเอาเนี่มันก็นยากีเด้ต่อไปนีนเขาสิไปจังหลวงพ่อมาหาไรเป็นก็บอกว่าว่าคนทั้งเอเมริกานี่เขาเ อ, อสนใจเรื่องพุทธศาสนากันมากขันกลับเขามาหาพุทธศาสนาพศศาสนาอิสลามศาสนาคริสศาสนาของนี่ของขาเจ้าอ่างเทพระเจ้าเป็นผู้ดลบันดานให้ เออบอเลี้ยงศาสนาคิตอันนึ่งเว่ยปีหนึ่งยูุ่วัฒสนามในนั่งอันนึงทะเลาะกับผัวบอแมนเขามาหาภะเด้บอยเขาจะได้ภาพเป็นผัวเด้เขากปรึกษาลูกนั่งหนึ่งทะเลาะกับผัวแล้วมาบอกให้ฟังนะมีลูกต้องกันแล้วแยกกันพาผัวเป็นมีเมียหน่อยกันว่าก็เลยบอกว่าอ๋อกรแบ่งกันอยู่กระกินได้เป็ น, น, นยังงี้เงินดิม เช็แรงก็บอลลอดคือบอกเผาาเว้ยว่าท่นบอกกระแบกกระยูกกันกินกันจะเป็นแดงบว้ยว่าท่าน่อกแต่เราเจ้าเดียวินเราเจ้าเดียวจินน้ำกันสามสี่หาคนงี้กินได้่านบเพราะดีมูก็ได้สวนไปเขาคิดไปเขาคิดให้พระเจ้าซอยสวดมนต์วนสวดอรซอยแต่ว่าคนมีความทุกข์อยู่แล้วเนาะคิดใจมันวุ่นวายอยู่แล้วนี่อยู่แล้ว เพ็ดยังได้อ่อนว่อนสวดยังได้กระ่บมีจิตเก๋จิตเก๋กระ่บสงบก่ะโบสงบยักหน่อยนี่ยักหน่อยสวดไปแล้วเป็นอยู่เป็นเดือนกระ่บกบะโบสงบได้จิตมันยังคือหอดจักมันคือหอดผู้ใดคือหอดลูคือหอดผัวก็ไม่จักบุตรถามมันนี่าคือมานี่ก็ะเล้ยอยู่บุตรก็เลยบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ช่วยเธอหรอกเพราะเธออ่อนแอเกินไปกระเลี้ยเธอไปซะกระเลียออกจากโบสถ์พอออกจากโบสถ์มามูก็เลี้ยขวัญขอมาวัด ตอนนั้นยุวัฒนนามในก็เลยมาคุยพูนิ้งนี่ก็แปลกลคันคุยก็คุยคุยค่ะคัดคุยฟังนะ่ะห่างเทียบกันท่ายากอายก็เรบฟังนะ่ะเนาะเขาบอกว่าอนี้พระเป็นที่ระบายทุกข์ของคนอ่าเขาจ้าระบายมากทุกโอ้ยทุกยังไหนนี่ยังไดคุยไปคุยมากคุยมาคุยไปก็รู้สึกว่าเราก็ดีขึ้นใครใครว่า มันอั scalable. ้นตันใจว่าวิธีระบายนะไประบายภาพผู้เป็นเจ้าพผู้เป็นเจ้าก็ว่ปากน้ำไหมมิจฉีขึ้นยังไม่กังเขนขึ้นยังปากว่าเป็นเนี่ยก็คือพาไหวไหวผู้สรุปเนี่ยพอาวกกับภาคกับเจ้ากับว่านุ่งควมวไปแน่ยอกนั้นไปแน่บอนั่นไปนี่แน่วหัวได้นี้ได้ไข้ได้ปัดไข้เน่ยออกไปบ่มากโอ้ยตัดสินใจว่าลูกเนี่ยอยู่โรงเรียนกินนอนประหงแล้วท่านว่าสบายผเป็นยังนี่เป็นยังโนมกับปฏิบัติธรรมแต่เราก็เดินยังกรมดีได้ทาคนเพียนดีด้ เดินไปเดินมาทำไปทำมาอยู่ประมาณจากักรซิมมือนี่แหละใจมันเริ่มดีเราได้ค้นมาเนี่ยใจดีขึ้นมาแล้วบ้าท่านอาจารย์วันนี้อยากจะไปเยี่ยมลูกสักหน่อยเอากระแสคือว่าสิบบกวงใบใหญ่ายายแล้วว่านดอกอืมเมื่อตอนนั้นมันก็ไม่ห่วงแต่ปับันนี้มันห่วงแล้วท่าน่าห้ยกับ ย, ยักษิวาอย่างไหนได้โย ม, มไปกับไปซะมาท่บนบอก แต่ทว่ายังไดิซอยเดินแล้วได้สา ม, มีและวัฒนธรรมก็ไดเหมือนกันไปเดี๋ยวไปประมาณสักสามวั น, น, นแล้วจะกลับมาไปแล e ้วมิตรกีดีเราป่านนี้คือท <himself> <S 2 atoms> ี่มันมีความสุขลราป่านนี้เนาะสร้างหัวซอยคนไดินสามีก็สรเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งอกตั้งใจเด้อพวกแม่พวกบอพวกแม่เฮาก็ไดพุทธาวุฒิแจวหัวเยาวชนเยาวชนกลายเป็นเยาวชนจริงๆนี่จริงๆ เพราะว่าโลกปัจจุบันนั้นรู้สึกมันมันมันมันไหลแรงมีมีความเขี่ยวกาดมานี่มากในสังคมเป็นยั่งเป็นยั่งกระตามนี่กระตามรู้สึกว่ามันเข้าต้องขันเทามี้พุ่มคุมกันเดระว่าเขามาสั่งพุ่มคุมกันชีวิตของเขาพอปัจจุบันนี้พู่มคุมกันทั้งภายในนั้นรู้สึกว่ามันเกิดมามากมาหลายกิดหลายเรียงหลายเล่าแล้วส่วนยคนภายนอกนั้นรู้สึกอ่อนแอคนรู้สึกนี่เสมือนในบางนาตาก็ดี กินดามกอนเทไปเนาะโย่เสียลงไงวะเดหนิงเสียลงไงวะเพราะว่าอาตมาก็เป็นห่วงเยาวชนเขาคือกันเพราะว่าแต่ก่อนก็คือเป็นเยาวชนอยู่แต่นี่กลายเป็นบ่เป็นเยาวชนแล้วเป็นทิกศสุชนา เป็นพิกซุซ้นแล้วเสมือเนี่ยซ้นดะเลยเพราะว่าห่วงห่วงในความเป็นยู่ของของน้องของนุงของลูกของหลานพออย่างเพราะว่าการกระทําปัจจุบันนั้นรู้สึกว่าสังเกตบังเคยเบังบอนเรื่องเอ่อทีวีที่เขาโฆษณาสินของออกมาเนี่ยออกม า, าห้ามูดจักบอกขอมุ้นทีเขาโฆษณาสินเอ่อสินของที่เขโฆษณานั่นยิงออกมาทั้งเป็นสปอร์ตทั้งโฆษณาทั้งทีวีนั่นวินาทีละเป็นแสนแต่ก่อนนะ วินาทีละเป็นแสนที่เขายิ่งมาเราแค่สั่งึ้นมาเพราอพราะเขาเห็นปุ๊บเขาสะทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่อยากร่วมอยากกินอยากเสพอยากนี่กับเขานี่กับเขาให้ก้อนยุคข้อมนิทยุคนี่แม้แต่พูดเผ่าวันเสาร์วันอาทิตย์ประ ม, มรันหาบงึงหรือเที่ยงครืนเนี่ยมันเสาร์ติ ย่จอหน้าจอทีวี้ออเออเออเออใส่ั้วใส่รัวมพึ่งอักเกนเียนปิดประตูใส่ลูกหลานสิมึงละคอนกับบุหนี่มบรตังสื่อคนละเครื่องสองเครื่องพูดอ่ะเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่เขาป้อนนห่เฮ้าขมานี่ขมาทั้งหูทั้งตาเฮานี่รู้สึกว่าโอ้ขันเขาโมโหจักกันกล่องมูหจัดมีการกันกล่องขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตกเป็นถาดของมันได้งยุคคอมมินินันอัตมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเพอใะญ่ สมัยนั้นมีวิทยุเนาะฟังเปิดฟังวิทยุภาษาภาษาภาษาไทยเน่ยคนกินว่าภาษาภาษาไทยฟังเขาเบ่าเขาเบ้าดีเลยฮุกปันดีเบ้าดีนี่ดีนี่เหตุนี่ผลรักฟัง